และนางได้กล่าวแก่พี่สาวของเขาจงติดตามไปดูเขาดังนั้นเธอพี่สาวของมูซาได้เห็นเขาแต่ไกลโดยที่พวกเขาไม่รู้ และเราได้ห้ามเขาไว้ก่อนแล้วเรื่องแม่หนุม่มดันั้นเธอพี่สาวของมูซากล่าวว่าฉันจะชี้แนะชาวบ้านให้แก่พวกท่านเอาไหมเพื่อคุ้มครองเขาแทนพวกท่านและพวกเขาเป็นผู้ให้คำแนะนำอย่างดี ดังนั้นเราจึงให้เขากลับไปหามารดาของเขาเพื่อที่จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่นางและนางจะไม่เศร้าโศกและเพื่อนางจะได้รู้ว่าแท้จริงสัญญาของลอร์นั้นเป็นจริง แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขาบรรลุความเป็นหนุ่มและเติบโตเต็มที่แล้วเราได้ให้ความเข้าใจให้ความรู้แก่เขาและเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ف و ك ز ه موسى، فقضى عليه. ان إن และเขาโมเสสได้เข้าไปในเมืองขณะที่ชาวเมืองกำลังพักผ่อนเขาได้เห็นชายสองคนต่อสู้กันอยู่ในนั้นคนหนึ่งมาจากพวกพ้องของเขาและอีกคนหนึ่งมาจากฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขาดังนั้นคนที่มาจากพวกพ้องของเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อให้ปราบฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขามูซาได้ต่อยเขาแล้วฆ่าเขาเขากล่าวว่านี่มันเป็นการการะทําของเศษตอแท้จริงมันเป็นศัตรูที่ทําให้หลงผิดอย่างแจ้งชัดข้อกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้อาทามต่อตอนเอง ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยให้เขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอเขาได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันการที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่ฉัน ฉันจะไม่เป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดอีกต่อไปเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองเขากลัวจะเกิดภัยแก่เขาขณะนั้นผู้ที่เคยร้องขอให้เขาช่วยเหลือเมื่อวานนี้ กำลังร้องเรียกให้เขาช่วยอีกมูซาจึงพูดกับเขาว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้หลงผิดอย่างแน่นอน เมื่อเขาต้องการที่จะเป็นผู้ปราบศัตรูกับเขาทั้งสองเขากล่าวว่าโอ้มูซาเ อ, อ๋ยท่านต้องการที่จะฆ่าฉันดังที่ท่านได้ฆ่าคนหนึ่งไปแล้วเมื่อวานนี้หรือท่านไม่ปราถนาสิ่งใดนอกจากผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน และท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ปรองดองให้ดีต่อกันและชายคนหนึ่งได้มาจากชาญเมืองอย่างเร่งรีบเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอย พวกคุณนางชั้นผู้ใหญ่กำลังปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านเพื่อจะฆ่าท่านดังนั้นจงออกไปเถิดแท้จริงฉันเป็นผู้หวังดีต่อท่านดังนั้นเขาจึงออกจากเมืองในสภาพหวาดกลัวว่าจะเกิดภัยเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน โปรดช่วยฉันให้รอดพ้นจากหมู่ผู้อธรรมด้วยเถิดและเมื่อเขามุ่งหน้าไปยังเมืองมัดยันเขากล่าวว่าหวังว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะส่งชี้แนะแก่ฉันสู่ทางอันเที่ยงตรง ولم ّ ا ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر رجاء وأبنا و شيخ كبير และเมื่อเข้ามาพบบ่อน้ำแห่งเมืองมัดยันเขาได้พบฝูงชนกลุ่มหนึ่งกำลังตักน้ำและนอกจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วเขายังได้พบหญิงสองคนคอยห้ามฝูงแกะเขามูซากล่าวถามว่าเรื่องราวของเธอทั้งสองเป็นอย่างไรนางทั้งสองกล่าวว่าเราไม่สามารถตักน้ำได้จนกว่าคนเลี้ยงแกะเหล่านั้นจะถอยออกไปและบิดาของเรา ก็เป็นคนแก่มากแล้วแต่สากแล้วหมาทุมมาจะวันลอนดิลสลรบบินนรบินนมาอจะอิมิคยดริดังนั้นเขาจึงตักน้ําให้แก่นางทั้งสองแล้วก็กลับไปพักใต้ร่มแล้วกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแพ้จริงฉันอยากได้ความดี ที่พระองค์ทรงประทานลงมาให้แก่ฉันฟ้จาอ็ตะฮุมะทมชีอัลอิสติฮยากลาตอินน์อับียะดูุคลียจซีย์คัจรมาส์ควย์เตลนาฟ้ลัมมาจาเูวะคัซอะลัยฮิลคัซซ์ซ์ลาลาทัชฟจูตมินลมลมนนางคนหนึ่งในสองคนได้มาหาเขา เดินมาอย่างเขวเขินแล้วกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อของดิฉันขอเชิญท่านไปเพื่อจะตอบแทนค่าแรงแก่ท่านที่ได้ช่วยตักน้ำให้เราคั้นเมื่อเขามูซาได้มาหาเขาหนาบีชูอและได้เล่าเรื่องราวให้แก่เขาฟังเขาหนาบีชุอีฟได้กล่าวว่าท่านไม่ต้องกลัวท่านได้หนีพ้นจากกลุ่มชนผู้อาธรรมแล้ว قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين นางคนหนึ่งในสองนั้นกล่าวว่าโอ้คุณพ่อจ๋าจ้างเขาไว้สิแท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่ซื่อสัตย์อ่านอินนีอริดอันอิ ح ك إحدى بنتي ه ا ت ي ن على ع าลา أن تأجرني ث م ج ج ا ن ح ي ج ج فإن أتمنم تعشرن فمن ع ิ د ك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين เขาชูอายกล่าวว่าแท้จริงฉันต้องการให้ท่านสมรสกับลูกสาวคนหนึ่งในสองคนนี้ โดยท่านจะต้องทำงานให้ฉัน8ปีและถ้าท่านทำครบ10ปีก็เป็นความดีที่มาจากท่านฉันไม่ต้องการที่จะทำความลำบากให้ท่านอินชาอัลลอฮ์ท่านจะพบฉันอยู่ในหมู่คนดีก้าล้วนั้นเป็นนีวและเป็นนั้นไอัยามเจลย์นี่ก็ได้ทุ่มลาอูดวานอเลัยวัลลอฮ์อัลามานนั้นก็คือ เขามูซากล่าวว่านั่นคือสัญญาระหว่างฉันกับท่านฉันจะปฏิบัติให้ครบหนึ่งในกำหนดทั้งสองจะไม่ลำบากใจแก่ฉันและอลัลลอ์นั้นทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราพูดกันฤฤฤ ครั้นเมื่อมูสาปฏิบัติครบกำหนดแล้วและได้เดินทางนำครอบครัวของเขาไปอียิปต์เขาได้มองเห็นไฟลุกอยู่ข้างภูเขาตรุดเขาจึงพูดกับครอบครัวของเขาว่าจองอยู่ที่นี่ก่อนแท้จริงฉันเห็นไฟ บางทีฉันจะนำข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือเอาดุนไฟมาเพื่อพวกท่านจะได้อบอุ่นขึ้น เมื่อเขาได้มาที่ไฟได้มีเสียงเรียกจากที่มุมทางด้านขวาในสถานที่ที่มีความจำเริญนณนะที่ต้นไม้ว่าโอมูซาเอย๋ยแท้จริงข้าคืออัลลอ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโล ก, ก ت ت บ ยามูซาอับอล ولا تخاف إنك من الآمنين เจ้าจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับงูเขาก็หันหลังหนีและไม่กลับมามองอีกโอ้มูซาเอย๋ยจงเข้าไปใกล้ๆเธอและอย่าหวาดกลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ พูดบอทไพรอลุคยัดค์ค์ใ ج เจ ك บค์ค์ท ضاء มิ้นไกรสูอัลดมมิไลค์ ك น ن พักมิจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้า มันจะออกมาขาวปราศจากอันตรายใดๆและจงเอามือแนบตัวเจ้าไว้เพื่อคลายความตกใจนั่นคือสัญญาณทั้งสองจากพระผู้อภิบาลของเจ้าไปยังฟิรูนและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนเขามูซากล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้ฆ่าคนหนึ่งจากพวกเขาดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉันและพี่ชายของฉันคือฮารูนเขาพูดจาคล่องแคล่วกว่าฉัน ดังนั้นขอได้โปรโดส่งเขาเป็นผู้ช่วยร่วมไปกับฉันด้วยเถอดเพื่อเขาจะได้ยืนยันให้แก่ฉันแพ้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธฉันพระองค์อลอสตรัสว่า เราจะให้เจ้ามีความเข้มแข็งด้วยพี่ชายของเจ้าและเราจะให้เจ้าทั้งสองมีอำนาจดังนั้นพวกเขาจะเข้าไม่ถึงเจ้าทั้งสองดอกเพราะสัญญาณต่างๆของเราเจ้าทั้งสองและผู้ติดตามเจ้าทั้งสองเป็นผู้ชนะ قالوا ما هذا ل ا, إ سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آ ب ا ن ا ا ل و ل ي ن ดังนั้นเมื่อมูซาได้มาหาพวกเขาพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายอันชัดแจ้งของเราพวกเขากล่าวว่ามันมีใช่อะไรอื่นนอกจากเวทมนต์ที่ถูกกุกขึ้น และเราไม่เคยได้ยินข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ในสมัยของบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนเลยและมูซากล่าวว่า พระเจ้าของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่นำแนวทางที่ถูกต้องมาจากพระองค์และผู้ที่บ้านปลายแห่งที่พำนักจะเป็นของเขาแท้จริงพวกอธรรมนั้นจะไม่ประสบชัยชนะวาาลลลลลลิิิิิออออนนนยยัุุมมมมมรี فأوقد لي ا ฮม ان وعلى الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلىه موسى وإني لا أ ن ه من الكاذبين และฟิรูนกล่วาวว่าโอพวงบริวานเอ๋ยฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกเจ้านอกจากฉันโอฮามานเอ๋ย จงเผาดินทำอิดให้ฉันด้วยแล้วสร้างโครงสูงระฟ้าเพื่อที่ฉันจะได้ขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาและแท้จริงฉันคิดว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็ดและเขาเฟิรูนและไพรพลของเขาได้ยิงพยองในแผ่นดิน โดยอาธรรมและพวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นจะไม่ถูกนำกลับไปอย่างเราดังนั้นเราได้ลงโทษเขาและไพร่ผลของเขาเราได้โยนเขาลงในทะเลแล้วเจ้ามูฮัมหมัดจงพิจารณาดูเถิด บัานปลายของพวกอธรรมนั้นเป็นเช่นไรและเราได้ทำให้พวกเขาเป็นหัวหน้าเรียกร้องไปสู่นรกยหันนำและในวันกิยามาพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ ล م م แลวเราได้การสาบแช่งติดตามพวกเขาในโลกนี้และในวันเกียรมพวกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ถูกขับไล่ออกจากความเมตตา และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำภีแก่มูซาหลังจากที่เราได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนก่อนเพื่อยเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ปวงมนุษย์เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาหวังว่าพวกเขาจะได้ใครขวด بِجَانِ بِالْغَرْبِهِ مُوسَ และเจ้ามูฮัมหมัดไม่ได้ปรากฏอยู่ทางด้านข้างทิศตะวันตกเมื่อเราได้กำหนดกิจการแก่มูซาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเป็นพยา ت ت แต่ว่าเราได้บังเกิดอีกหลายศตรวรรษแล้วการมีชีวิตอยู่ก็ยืนยาวแก่พวกเขาและเจ้าไม่ได้ปรากฏอยู่ร่วมกับกลุ่มชนของมัดยันเพื่อสาทยายองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขาแต่ทว่า แท้จริงเราเป็นผู้ส่งเจ้ามาละเจ มิได้ปรากฏอยู่ทางด้านข้างของภูเขาตรุษเมื่อเราได้เรียกร้องแต่มันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายัางพวกเขาก่อนหน้าเจ้าหวังว่าพวกเขาจะได้ไข่ควร ا أ ا أ และหากมิใช่เคราะกรรมหนึ่งประสบแก่พวกเขาหนึ่งด้วยน้ำมือของพวกเขาที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะพูดขึ้นว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเราเหตุใดพระองค์จึงไม่ส่งรอซูลคนหนึ่งมายัางพวกเราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามองการทั้งหลายของพระองค์ท่านและจะได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัท ธ, ธา ครั้นเมื่อสัจธรรมจากเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขากล่าวว่าทำไมเขามูฮัมมัดจึงไม่ได้รับเยี่ยงที่มูซาได้รับเรา ก็พวกเขาไมได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานให้แก่มูซาก่อนดอกหรือพวกเขากล่าวว่าทั้งสองคือเวทมนต์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันและ ว, ว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธทั้งสิ้นุจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำคำภีสักเล่มหนึ่งจากอัลลอฮ์ที่ดียิ่งกว่าทั้งสองมาสิเพื่อที่ฉันจะได้ปฏิบัติตามมันหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริ ه Ah หากพวกเขาไม่ยอมสนองตอบเจ้าก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ไฝ่ต่ำของพวกเขาเท่านั้นและผู้ใดเล่าจะหลงผิดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติตามอารมณ์ไฝ่ต่ำของเขาโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องจากอัลลอ ถ้าจริงอลอสจะไม่ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อารทำและโดยแน่นอนเราได้พระดำรัสอัลกุรอานสืบต่ อ, ตอนเนื่องกันแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ใค ร, คร่ครวญบรรดาผู้ที่ประธานคำพีแก่พวกเขามาก่อน มัััันอออลลกกกกาาาาพววเข็ไดด้้สทต่ยและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อมันแล้ว แท้จริงมันคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเราเป็นมุสลิมมาก่อนหน้านี้อลาอุตนชนเหล่านั้นจะได้รับรางวัลของพวกเขาสองครั้งเนื่องจากพวกเขาได้อดทน และพวกเขาป้องกันความชั่วด้วยความดีและพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราให้เป็นเครื่องอยัง่งชีพแก่พวกเขาและเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องไร้าสาระพวกเขาก็ผินหลังห่างออกไปจากมันและกล่าวว่า การงานของเราจะได้แก่เราและการงานของพวกเจ้าก็จะได้แก่พวกเจ้าขอความสันติจงประสบแด่พวกเจ้าโดยเราจะไม่ขอร่วมกับพวกงุมงายแท้ اء, จริงจะไม่สามารถที่จะชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้ แต่เราจะทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พรงทรงประสงค์และพรงทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ลมมลและพวกเขากล่าวว่าหากเราปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องร่วมกับท่านพวกเราจะถูกฉุดกระชากออกจากพันดินของเราและเราไม่ได้ตั้งหลักแหล่งแก่พวกเขาในเขตหวงห้ามอันปลอดภัยดอกหรือซึ่งผลไม้ทุกชนิดถูกนำมาอย่างที่นั้น เป็นเครื่องยังชีพที่มาจากเราแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายเมืองซึ่งหยิงพยองในความเป็นอยู่ของมัน ดานั้นนั่นคือที่พมนักของพวกเขาจะไม่มีใครพักอยู่หลังจากพวกเขาเว้นแต่เพียงเล็กน้อยและเราเป็นทายาทสืบต่อจากพวกเขา วและพระผู้ใหญ่บานของเจ้าไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะทรงแต่งตั้งศาสนาทูตขึ้นในเมืองหลวงนั้นโดยอ่านองค์การทั้งหลายของเราแก่พวกเขาและเราไม่ได้เป็นผู้ทำลายเมืองทั้งหลายเว้นแต่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อธรรม และสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับนั้นมันเป็นเพียงปัจจัยยังชีพของโลกนี้และเป็นเครื่องประดับของมันแต่ที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าและจริงังกว่า พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือดังนั้นผู้ใดที่เราได้สัญญาแก่เขาซึ่งเป็นสัญญาอันดีงามเขาก็จะเป็นผู้พบมันจะเหมือนกับผู้ที่เราได้เป็นปัจจัยแห่งชีวิตของโลกนี้ แล้วในวันเกียรมะเขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้ากระนั้นหรือและจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่าเล่าพาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง บรรดาผู้ที่พระดำรัสการลงโทษคู่ควรแก่พวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เราทำให้หลงผิด เราได้ทำให้พวกเขาหลงผิดเช่นเดียวกับเราที่ได้หลงผิดเราขอปลีกตัวออกแด่พระองค์ท่านและพวกเขาไม่ได้เคารพพักดีต่อเราจริงๆดอกและจะมีเสียงกล่าวว่า จงเรียกร้องภาคีของพวกเจ้าพวกเขาก็เรียกร้องพวกมันแต่พวกมันไม่ขานรับพวกเขาและเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษพวกเขาก็คาดหวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง